ภาคที่1เริ่มแต่การเกิดแห่งวงศักยักเรื่องก่อนประสูตรจนถึงออกผนวดการเกิดแห่งวงศักยักษ์อภัตตะเรื่องดึกดำบรรพระเจ้าอุกาก ร, ราชปรารถนาจะยกราชสมบัติประทานแก่โอรสของมเหสีที่ปรดปรานต้องพระไทยจึงได้ทรงขับราชกุมารผู้มีชนมาอายุแก่กว่า คือเจ้าอุกามุกกระกันโทฮัตินิกะสินีปุระออกจากราชอาณาจักรไปตั้งสำนักอยู่นป่าศาก์ใหญ่ใกล้สะโบครณีข้างภูเขาหินมผพานเธอเหล่านั้นกลัวชาติจะรักวนกันจึงสมสู่กับพี่น้องหญิงของเธอเองต่อมาพระเจ้าอุกากราช ตรถามอมัดว่าบัดนี้กุมาเหล่านั้นอยู่ที่ไหนกราบทูลว่าบัดนี้กุมาเหล่านั้นเสด็จอยู่ในป่าศากใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้สะโบคารีข้างภูเขาหินมะพานพระกุมาทั้งหลายกลัวชาติระควกันจึงสมสู่กับพคินีของตนเองขณะนั้น พระเจ้าอุกาก ร, ราชทรงเปร่งพระอุทานว่ากุมารผู้อาจหารหนอกุมารผู้อาจหารอย่างยิ่งหนอพระเหตุนั้นเป็นเดิมจึงเป็นพวกที่ได้ชื่อว่าสากยะสืบมาพวกสากยะอยู่ใต้อำนาจพระเจ้าโกศลวาเสถะพระราชาประสิธิโกศล ย่อมทราบว่าพระสมณัโคดมผู้ยอดเยี่ยมบวชแล้วจากสากยัติกูลวสเสถะก็แหละพวกสักยะทั้งหลายเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดและอยู่ในอำนาจของพระราชาประสิทธิโกศลวศัสเสถะก็พวกสากยะทั้งหลายย่อมทำการต้อนรับทำการอภิวาลุกขึ้นยืนรับ ทำอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในพระราชาเปรตทีโกศลวาเศตะพวกศากยะกระทำการต้อนรับเป็นต้นแก่พระราชาเปรตทีโกศลอย่างไรพระราชาเปรตทิโกศลยอมกระทำการต้อนรับเป็นต้นแก่ตถาคตอย่างนั้นแดนสากยะขึ้นอยู่ในแคว้นโกศล ตรัสตอบแก่พระเจ้าพิพิสารว่าราชาชนบทตรงข้ามภูเขาหินมาพ่านสมบูรณ์ด้วยความเพียรเครื่องหาทรัพย์เป็นเมืองขึ้นแห่งโกศลมีพวกชื่ออาทิตย์โดยโคตชื่อศากยะโดยชาติอาตมาภาพออกบวชจากตระกูลนั้นจะปรารถนาก็หาไม่ได้ การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จามาแต่ที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนอนนนท์โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมบังเกิดขึ้นในหมู่เทพชั้นดุสิ์ดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมบังเกิดขึ้นในหมู่เทพชั้นดุสิตนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำมาแต่ที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนอ น, นุ์โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่า เป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอ้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จํามาแต่ที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนนะนนโพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อม ดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตจนกระทั่งตลอดการแห่งอายุดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตจนกระทั่งตลอดการแห่งอายุนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค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 ก้าวลงสู่คันแห่งบัดาดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคเกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการจุติจากดุสิตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จำมาแต่ที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนานาโนนโพธิสัตมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมจุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตแล้วก้าวลงสู่คันแห่งบารดาในขณะนั้นแสงสว่างอันโอฬาณจนหาประมาณมิได้ ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโล ก, กันตริกะนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกัน้นแต่มืดมนหาการเกิดแห่งจักสุวิญญาณไม่ได้ อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่งไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอันโอฬารจนหาประมาณมิได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดณที่นั้นรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันดังนี้และหมื่นโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะเทือนสถานแสงสว่างอันโอฬานจนหาประมาณมิได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้ขอ้อนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคแผ่นดินไหวเนื่องด้วยการจุติดูก่อนาอนอนท์เหตุปัจจัยที่ทำให้ปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวงมีอยู่แปดประการดูก่อนอานอนท์เมื่อใดโพธิสัตว จุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่คันแห่งมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวย่อมสั่นสะเทือนย่อมสั่นสะท้านอาน น, นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบสามแห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวงการลงสู่คัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อ น, นี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จํามาแต่ที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนห น, น้นนในการใดโพธิสัตว์กําลังก้าวลงสู่คันแห่งบานดาในการนั้นเทพบุตรทั้งหลายย่อมทําการอารักขาในทิศ ท, ทั้งสแก่โพธิสัตว์ โดยประสงค์ว่ามนุษย์หรืออะมนุษย์หรือใครๆก็ตามอย่าได้เบียดเบียนโพธิสัตว์หรือมัรดาแห่งโพธิสัตว์เลยดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าสจรัร์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคการอยู่ในคัน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 เป็นผู้เว้นจากปนานติบาตเว้นจากอาทินนาทานเว้นจากกาเมสุมิฉาจารเว้นจากมุสาวาตเว้นจากสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทดังนี้ดูก่รนะนนท์ในการใดโพธิสัตว์ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาในการนั้น มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมไม่มีความคิดอันเจือด้วยกรรมคุณในบุรุษทั้งหลายอันหนึ่งมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้ที่บุรุษใดๆไม่คิดจะล่วงเกินด้วยจิตอันกำหนัดดังนี้ดูก่อ น, นอนนท์ในการใดโพธิสัตว์ก้าวลงสู่ขันแห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ เป็นผู้มีลาภด้วยกามมคุณทั้งห้ามารดาแห่งโพธิสัต์นั้นอิ่มเอิบด้วยกามมคุณทั้งห้าเปรียบพร้อมด้วยกามมคุณทั้งห้าให้เขาประครบประโงมอยู่ดังนี้ดูก่อนนาโนนในการใดโพธิสัตว์ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ ย่อมไม่มีอาพาธไรๆมีความสุขไม่ห่อนเพลียอันหนึ่งมารดาแห่งโพธิสัตย์ย่อมแลหินโพธิสัตว์ผู้อยู่ในขั้นมารดามีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่สามเหมือนอย่างว่าแก้วไพยทูลอัน ง, งดงามโชดช่วงสดใสเจียระไนดีแล้ว มีได้ร้อยอยู่ในแก้วนั้นสีเขียวเหลืองแกมเขียวแดงขาวหรือเหลืองก็ตามุรุษที่ตายังดีเอาแก้วนั้นวางบนฝ่ามือแล้วย่อมมองเห็นชัดเจนว่านี่แก้วไพยทูลอัน ง, งดงามช่อด่วงสดใสเจรไนดีแล้ว นี้ได้ซึ่งร้อยอยู่ในแก้วนั้นจะเป็นสีเขียวเหลืองแกมเขียวแดงขาวหรือเหลืองก็ตามฉันใดก็ฉันนั้นที่มันดาแห่งโพธิสัตเป็นผู้ไม่มีอาพาธมีความสบายไม่อ่อนเพลียและเห็นโพธิสัตผู้นั่งอยู่ในคันมีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่สามดังนี้ ดูก่อนนานนนหญิงอื่นๆอุ้มท้องไว้9เดือนบ้าง10บเดือนบ้างจึงจะคลอดส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์ไม่เป็นเช่นนั้นยอมอุ้มคันไว้1ิบเดือนเต็มทีเดียวแล้วจึงคลอดดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ข้อนี้ข้าพระองค์ย่อมถือว่าเป็นของน่าสัจจ์ไม่เคยมี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 ส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์หาเป็นอย่างนั้นไม่มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมยืนคลอดโพธิสัตว์ดังนี้ดูก่อนนาโน น, นในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมเข้ารับก่อนส่วนมนุษย์ทั้งหลายย่อมเข้ารับต่อภายหลังดังนี้ ดูก่อนนาโนนในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาอย่างไม่ทันถึงแผ่นดินเทพบุตรทั้งสี่ยอมรับเอามาวางตรงหน้าแห่งมารดาทูลว่าแม่เจ้าจงพอพระทัยเถิดบุตรอันมีศักดา์าใหญ่ของแม่เจ้าเกิดแล้วดังนี้ดูก่อนนาโนน ในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนองไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดที่เดียวเหมือนอย่างว่าแกมณีที่วางอยู่บนผ้าเนื้อเกลี้ยง มันมาแต่แคว้นกาสีแก้วก็ไม่เปื้อนผ้าผ้าก็ไม่เปื้อนแก้วเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ามันเป็นของสะอาดหมดจดทั้งสองอย่างฉันใดก็ฉันนั้นที่โพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนอง ไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดทีเดียวดังนี้ดูก่อนนาน น, นในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมันดาในการนั้นท่อทานแห่งน้ำสองท่อปรากฏจากอากาศเย็นท่อหนึ่งร้อนท่อหนึ่งอันเขาใช้ในกิจอันเนื่องด้วยน้ำ แก่โพธิสัตว์และแก่มารดาดังนี้ดูก่อนอานโพธิสัตว์ผู้คลอดแล้วเช่นนี้เหยียพื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอมีพระพักทางทิศเหนือก้าวไปเจ็ดก้าวมีฉัดสีขาวกั้นอยู่น้ำเบื้องบนยอมเหลียวดูทิศทั้งหลายและกล่าวอาสพิวาจาว่า เราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายปัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีดังนี้เกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการประสูติดูก่อนนาโน น, นในการใดโพธิสัตว์คลอดจากท้องแห่งมารดา ในการนั้นแสงสว่างอันโอฬารจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโล ก, กันตริกันรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกัน้น แต่มืดมนหาการเกิดแห่งจักขุู่วิญญาณมิได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอันโอราณจนหาประมาณมิได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ในนั้น รู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอย๋ยผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันดังนี้และหมื่นโลกธาตุนี้ก็วันไหวสั่นสะเทือนสถานแสงสว่างอันโอฬานจนหาประมาณมิได้ได้ปรากฏขึ้นในโลก เกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ข้อนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคแผ่นดินไหวเนื่องด้วยการประสูดดูก่อนานน์ เหตุปัจจัยที่ทำให้ปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวงมีอยู่แปประการดูก่อนอานน์เมื่อใดโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะออกจากท้องแห่งมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวย่อมสั่นสะเทือนย่อมสันสน่นสะท้านอานน์นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบสี่ แห่งการปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวงประกอบด้วยมหาปุริัารักษณะ32ภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยมหาปุริษาลักษณะ32ประการย่อมมีคติเป็นสองหาเป็นอย่างอื่นไม่คือถ้าเป็นข่าวว่า ย่อมเป็นจกักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแควนจดมหาสมุดทั้งสี่เป็นที่สุดมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการแก้วเจ็ดประการย่อมเกิดแก่มหาบุุษนั้นคือจากแก้วช้างแก้วมาแก้วแก้วมณีหนางแก้ว ข้าหาบดีแก้วและปรินายกแก้วเป็นที่7มีบุรุษผู้กล้าหาญมีแววแห่งคนกล้าอันใครๆจะย่ำหยีมิได้ตามเสด็จกว่า 1,000 มหาบุรุษนั้นชนะแล้วครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดโดยรอบไม่มีหลักตอเสี้ยนหนามมั่งคั่ง เบิกบานเกษมรื่นรมปราศจากสเสนียดคือโจนส่งครอบครองโดยธรรมอันสม่ำเสมอมิใช่โดยอาญาและศาสตราถ้าออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกื้อกูลด้วยเรือนยอมเป็นพระระหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสเครื่องปกปิดอันเปิดแล้วในโลก ภิกษุทั้งหลายมหาปริศาลักษณะ32ประการนั้นเล่าไหนเล่าคือ 1. มหาบุรุษมีพื้นเท้าสม่ำเสมอ 2. มหาบุรุษที่ฝ่าเท้ามีจักเกิดแล้วมีซี่ตั้งพันพร้อมทั้งกงและดุม 3. มมหาบุรุษมีส้นเท้ายาว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 ยืนไม่ย่อตัวลงแต่เข่าได้ด้วยมือทั้งสอง 10. มหาบุรุษมีองค์ชาติตั้งอยู่ในฝัก 11. มหาบุรุษมีสีกายดุจทองคือมีผิวหนังดุจทอง 12. มหาบุรุษมีผิวหนังละเอียดลอองจับไม่ได้ 13. ม, มหาบุรุษ มีขนกลุ่มละเส้นเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งอยู่ขุมหนึ่งขุมหนึ่งสิ 14. มหาบุรุษมีปลายขนช้อนขึ้นสีดุดดอกอัญชันขึ้นเวียนขวา 15. มหาบุรุษมีกายตรงดุดกายพรม 16. มหาบุรุษมีเนื้อนูนหนาในที่เจ็ดแห่ง คือหลังมือหลังเท้าบ่าคอ 17. มหาบุรุษมีกายข้างหน้าดุจราชสี 18. มหาบุรุษมีหลังเต็มคือไม่มีร่องหลัง 19. มหาบุรุษมีส่วนทรงดุจต้นไทรกายกับวาเท่ากัน 20. มหาบุรุษ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 26. มหาบุรุษมีเขี้ยวสีขาวงาม 27. มหาบุรุษมีลิ้นในวงเล็บใหญ่และยาวเพียงพอ 28. มหาบุรุษมีเสียงดุดเสียงพรมพูดเหมือนนกกระเวก29มหาบุรุษมีตาเขียวสนิทในวงเล็บสีนิน 30. มหาบุรุษมีตาดุดตาวัว 31. มหาบุรุษมีอุณาโลมหว่างคิ้วขาวอ่อนเหมือนสำลี3ามมหาบุรุษมีสีสษะรับกับกรอบหน้าภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาบริษาลักษณะ32ประการของมหาบุรุษ